ชาชีพเนี่ยเขามาติดต่อถึงตัวเป็นการติดต่อโดยที่ไม่เห็นหน้าตานะมาเป็นใครไม่เหมือนสมัยก่อนนี่มีชาชีพเนี่ยเวลาจะมาหลอกเอาเงินจากเราเราก็จะเห็นหน้าเห็นตาแต่จะเห็นได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็พอเขา ได้อะไรไปจากเราแล้วก็หายวับไปเลยแต่สมัยนี้วิชาเชียเนี่ยเข้าถึงตัวเราได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวเพราะว่าเข้าถึงตัวเราผ่านโทรศัพท์มือถือหรือผ่านคอมพิวเตอร์ไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้เราเข้าถึงอะไรต่ออะไรได้ ได้ง่ายได้ไดสะดวกแต่ในทางหนึง่งมิชฉาชีพก็เข้าถึงเราได้สะดวกเหมือนกันผ่านช่องทางเดียวกันแต่ก่อนมิชาชีพก็อาจจะมาหลอกเอาเงินเราทางอีเมลแจ้งข่าวว่าเราได้โชคได้รับรางวัล หรือไม่ก็มาขอความเห็นใจจากเราว่ากำลังประสบความเดือดร้อนืองทีก็ปลอมตัวมาว่าเป็นคนที่เรารู้จักนะตอนนี้ต้องการเงินด่วนเพราะว่าอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยเงินกระเป๋าหายหมดนะต้องการเงินด่วนแอบอ้าง ว่าเป็นคนที่เรารู้จักมากคุณเจาีนี้เข้ามาเข้าถึงเราได้ง่ายกว่า น, นั้นนะผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านโซเชียลมีเดียแกง้ง call center นี่ก็ที่ว่าหลายคนคงได้รับการติดต่อถ้าไม่ใช้แกง้ง call center ก็อาจจะเป็นแบบพูดประเภทว่า ส่งข้อความมาทาง l ล n e บ้างทาง Facebook บ้างยกแม่ น, านา้าทั้ง5อ้างสาเหตุต่างๆมากมายเช่นอาจจะแจ้งว่าเนี่ยเพจ Facebook ที่เราใช้เนี่ยกำลังจะถูกบล็อกเพราะว่าทำผิดกติ ก, กาของ Facebook หรือไม่ก็จะบอกว่าเนี่ยโทรเบอร์มือถือที่เราใช้นี่ถูกกำลังจะถูกระงับสัญญาณหรือไม่ฉชนั้นก็โทรมาบอกว่าเนี่ยเรากำลังโดนคดีบางคดีหรือว่ามีการอถอนเงินจากบัญชีของเรา บ, บัญชีนั้นบัญชีนี้ หรืองทีจ ะ, จะปิดบัญชีธนาคารหรือว่าเครดิตการ์ดของเรานี่มันค้างชำระเงินมานานแล้วคือพูดง่ายคือขู่ให้เรากลัวในเวลาเจอ กรณีแบบนี้เนี่ยจนวนไม่น้อยนี่ก็ทำตาม ท, ท, ที่เขาแนะนำเช่นกดลิงก์กดเบอร์ถึงตอนนั้นก็เปิดช่องให้เขาเข้ามารวบข้อมูลส่วนตัวลวรวมทั้งบัญชีธนาคาร ลวงเอาเงินจากบัญชีธนาคารของเราไปส่วนใหญ่ก็พอเจอวบนนี้ก็กดไม่ได้ที่จะทำตามที่เขาแนะนำวันนีก้กดหนึ่งกดสองงโทรศัพท์พีพามทำตามเขาเชื่อเชื่อเขาก็เดือดร้อนสูญเสียทรัพย์ แต่ก็มีบางคนนะรู้ทันนอกจากไม่ทำตามก็แล้วก็อาจจะมีการต่อว่าด่าทอหรือว่าสั่งสอนโดยเฉพาะประเภทที่โทรมาทำนองเป็นมาจาก call center นี่แต่ก็หารู้ไม่นะพอไปไปตอบโต้ไปโต้เถียงไปต่อว่า หรือว่าไปสั่งสอนเขาเนี่ยบางทีอาจจะพลาดท่าเสียทีนะไม่ใช่แค่เสียเวลาอย่างเดียวบางทีเขาก็อาจจะได้ข้อมูลบางอย่างไปจากเราเช่นอัดเสียงของเราที่พูดยาวเหยียดออกไปเติมแต่งต่อเติมแล้วก็เอาเสียงนั่นแหละไปใช้ หากินหรือว่าหาประโยชน์จากคนที่เรารู้จักสมอ้างมาเป็นเสียงของเรากำลังเดือดร้อนไม่เวลาเจออุบายลูกไม้เนี่ยของผู้มิสาชีพเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าเราจะทำตามคำแนะนำของเขาหรือว่าพยายามไปสู้ลดตบมือเขา นะก็เสียเปรียบนะทั้งสองสถานนะทตามเขาเราก็เสียเงินไปสู้รดตบมือเขานะนอกจากจะเสียอารมณ์บางทียังถูกเขาเอาข้อมูลของเราเอาเสียงของเราไปใช้ประโยชน์ดันั้นเนี่ยเวลาเจอลูกไม้อูบายของคนจัพวกนี้เนี่ยวิธีเดียวที่ ดีเสือคือว่าอยู่นิ่งนะนิ่งไม่ทำตามเขาแล้วก็ไม่ไปตอบโต้ไม่ไปสู้รบตบมือเขากาคงเป็นวิธีเดียวที่จะดีที่สุด น, นะคือนิ่งเอาไว้หรือไม่ก็เฉยเมยถ้าเป็นข้อความทาง Facebook เราก็ไม่ทำอะไรทั้งสิน้นหรือว่าจะเป็น เสียงที่ส่งมาทางโทรศัพท์มือถือก็ไม่ไปต่อแย่เขาวางหูไปเลยการนิ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะที่จริงไม่ใช่เฉพาะกับเวลากับกรณีที่เจอพวกแก๊งคอรเซนเตอร์หรือพวกมิจฉาชีพมาล่อลหอลอกหรือว่ารังควานเราเนี่ย แม้กระท่กลอนยิงอื่นนี่ก็ไอการนิ่งน่งก็มีประโยชน์นะอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอเนี่ยเวลามันมีความคิดลบอารมณ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นในใจถ้าเราปล่อยใจไหลไปตามความคิดหรือหลงเข้าไปในอารมณ์เราก็ทุกข์นะไม่จะเป็นความโกรธความโศกความเศร้าความคิดฟุ้งซ่าน แต่ถ้าเราพยายามไปกดข่มผักไซมันก็ จ, จะเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามันก็ไม่ยอมจะหายไปง่ายๆจากการพยายามผักไสของเราบางทีการทาน่าบนั้นกลับเป็นการต่ออายุเพิ่มพลังให้กับมันเหมือนกับเป็นการเติมเชื้อเติมฟืนให้กับมันเช่นความโกรธ ความรู้สึกผิดความโศกความเศร้าเนี่ยหลายคนพอเกิดขึ้นแล้วนี่ก็ทนไม่ได้ก็อยากจะไปกดข่มผักไสมันบอกว่ามันก็คอยรบกวนลงความรวมมันถึงไอ้ความคิดไม่ดีเสียงต่อว่าครูบาอาจารย์หรือว่าเสียงจ้วงจากพ่อแม่ บางทีเขาไปไกลถึงพระรัตนาตรายบางคนก็มีเสียงในหัวแบบนี้นะแล้วไม่ชอบนะมันสั่งให้ทําอะไรก็ไม่ทําอันนี้ก็ดีอยู่แต่ว่าสิ่งที่ทํำสิ่งที่หลายคนทําก็คือไปสู้รบ ก, กับมันพอไปสู้รบ ก, กับมันพยายามกดข่มมันว่ามันยิ่งได้ใจนะไอ้เสียงที่ว่ามันยิ่งรังควาเรามากขึ้น บางทีเสียงอาจจะไม่เป็นเสียงที่แย่เลยเลยนะอาจจะเป็นแค่ความคิดเช่นบางคนเนี่ยภาวนาพุโทโธภาวนาพุโทโธจนติดเลยนะไอความคิดหรือว่าเสียงว่าพุโทโธพุธโทโธเนี่ยมันคอยโผล่มาอยู่ตลอดเวลาหลายคนลำคาญมากพยายามกดข่มมัน พยายามผลักสายผลักสายให้มันออกไปจากใจแต่ยิ่งทำเนี่ยมันยิ่งก่อความรองคาญก่อความรู้ให้กับเรามากขึ้นเจอแบบนี้มันไม่มีวิธีอะไรที่ดีกว่าการอยู่เฉยเฉยนะหรือที่กูบาลใช้คาว่ารู้ซื่อซื่อรู้ซื่อื่อไม่ต้องทำอะไรกับมันไม่ต้องทำตามมันแล้วก็ไม่ต้องไปต่อสู้อะไรกับมัน บางครั้งเนี่ยไอการไปต่อสู้ผักสายมันกลับจะทำให้ปัญหามันรุนแรงมากขึ้นหรือว่าลุกลามให้ความคิดหรืออารมณ์พวกนี้เนี่ยเราต้องรู้จักนะแค่ดูมันหรือว่าอยู่นิ่งๆนะแค่ดูมันเฉยๆมันจะออกรวดออกลายไงก็ช่างมันหรือว่าอาจจะ ถ้าสุดลำคาญมันก็อาจจะไม่สนใจมันไปนเลยก็ได้ในการอยู่นิ่งไม่ทําอะไรกับมันเนี่ยอาจจะดีกว่าการที่ไปทําอะไรกับมันซิการทําอะไรบางอย่างเนี่ยแม้จะปรารถนาดีแนตะ่อาจจะเกิดผลรายก็ได้อย่างเวลามีโรคหรือเชื้อบางชนิดเขาเ้าไปในร่างกายเราเนี่ยไอเชื้อ พวกนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไวรัสเนี่ยมันก็ไม่ได้ก่อปัญหารุนแรงเท่าไหร่นะแต่ปัญหามันเกิดปัญหารุนแรงเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่กา ร, ร่างการของเราเข้าไปเล่นงานผู้ป่การรางการเราพอรู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาบางทีมันมีอาการตื่นตกใจนะ เรื่องมันพรั่งพรูกรีธาเนีย่ยกรีธาทัพนีม่มาถล่มไอ้เชื้อที่เข้ามาในร่างกายแต่ว่ามันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดเลยไปหน่อยที่ฝรั่งก็เรียกว่า Overreact นะีผลก็คือว่าไม่ใช่แค่เชื้อโรคที่ตายนะอาไปว่ ในร่างกายเราที่เชื้อโรคพุ่นที่มันซ่อนอยู่ก็พลอยเสียหายไปด้วยอย่างเช่นถ้ามันซ่อนอยู่ในปอดเนี่ยไอ้เนื้อเยื่อปอดของเราก็ถูกทําลายไปด้วยไม่ได้ถูกทําลายเพราะเชื้อโรคนะแต่ถูกทำลายเพราะไอ้ภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายเราเนี่แหละอย่างคนที่ป่วยด้วยโรคซาเนี่ยหรือว่าโควิดเนี่ย ส่วนใหญ่เลยนะที่ตายเนี่ยหรือว่าที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าไอตัวเชื้อไวรัสนะโควิดแต่ว่ามันเป็นเพราะปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกัน ร, ร่างกายเราเรียกว่ามันเกิดอาการแบบคลุ้มคลั่งขึ้นมาเลยนะแล้วมันก็ถลม่มนะทุกอย่างที่ขวางหน้า ไวรัสนี่ไปซ่อนตัวที่ไหนในเนื้อเยื่อส่วนไหนโดยเพราะที่ปอดนี่มันถลมน่มทั้งไวรัสทั้งปอดทั้งเนื้อเยื่อจนเนื้อเยอื่อหรือปอดนี่ก็เสียหายหายใจไม่ได้น้ําท่วมปอนหรือว่าไม่สามารถที่จ ะ, อะเอาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายก็เลยต้องบางทีก็ถึงกับตายว่าหายใจติดขัด ปอดถูกทำลายไอปอที่ถูกทำลายนี่ไม่ใช่เพราะเชื้อโรคจริงๆนะแต่เพราะภูมิุมการร่างกายเรามันขยันเกินเหตุนั่นการที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าหากภูมิุมการร่างกายเรามันไม่ขยันเกินไปเนี่ยไอเชื้อไวรัสพวกนี้มันก็คงจะทำลายร่างกายเราไม่ได้มากหรือว่าจะขยันพอประมาณ ทำลายเชื่อแต่ไม่ทำลายเนื้อเยื่อหรือทำลายอวัวะในร่างกายเนี่ยคนเราก็มคงไม่ถึงกับตายหรือว่าป่วยแดบบสาหัสเนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเราเจอเวลามันมีนมความทุกข์เกิดขึ้นในใจหรือว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเราบางทีวิธีการที่ดีกว่านะั่นคือการ ที่รู้จักอยู่นิ่งๆนะแล้วก็หรือว่าไม่ผีผามไม่วู่วามที่ไม่ใช่เฉพาะความคิดห ร, หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นนะแม้กระทั่งสิ่งภายนอกที่มากระทบเราเนะช่นเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ไปทำอะไรกับมันนะก็แค่รับรู้เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอไม่ชอบเสียง ที่มากระทบหูเนี่ยมันเกิดอาการต่อต้านใจนี่มันก็ไปต่อสู้กับเสียงไอ้การที่ใจเราไปต่อสู้กับเสียงที่มากระทบเนี่ยนะมันเป็นตัวการที่ทําให้เราทุกข์ใจนะไอ้เสียงไม่ได้ทำให้เราทุกข์ใจนะอาจจะแค่มารบกวนหรืออาจจะไม่รบกวนเท่าไหร่นะ อาจจะทำให้เราได้ยินเสียงอื่นไม่ชัดอาจจะทำให้เราไม่มีสมาธิอยู่บ้างแต่ไม่ได้ทำให้เกิดความหงุดหงิดนะความขัดเคืองแต่ความงงี้ความขัดเคืองมันเกิดขึ้นเมื่อใจเราไปต่อสู้ผักไสกับเสียงเหล่านั้นในการปฏิกริยาของใจเราต่างหากนะที่เป็นตัวการที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราไม่ใช่เสียง ถึงถ้าเราลองนะเออแค่แค่ดูมันเฉยๆนะรับรู้มันเฉยๆโดยที่ไม่ไม่ไปมีปฏิกิริยาต่อต้านมันมันก็ไม่ทุกนะแต่มันเหมือนกับเป็นธรรมชาติของใจเราเวลาเจออะไรที่ไม่ชอบมันก็มักจะเข้าไปผักใสก็นะไปต่อสู้ ซึ่งการผักสายนี่แที่ทําให้ทุกข์แต่ถ้าเรารู้จักอยู่นิ่งๆนะซึ่งต้องอาศัยสตินะมาดูใจของเราเวลาใจมันผักสก็ให้มีสติรู้ทันพอมีสติรู้ทันเนี่ยใจมันก็กลับมาเป็นปกติเรียงกระทบผูก็สักตะรมได้ยินคำว่าสักตะรมได้ยินมันเกิดขึ้นเมื่อใจเราอยู่นิ่งๆไม่ปรุงแต่ง ไม่ให้ค่ากับเสียงนะั้นแล้วก็ไม่ไปผักสายเสียงนะั้นยิ่งงี้ไม่เฉพาะเสียงนะบางทีเวลาเราเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนะี่ยอาจจะมีคนอวอยวายใส่ร้ายเราในกรณีแบบนี้การนิ่งอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะสมัยเมุทรสามรกว่าปีก่อนนะ ประเญี่ปุ่นเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะซึ่งตอนที่เกิดเหตุนเนี่ยท่านก็ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่หรอกนะท่านฮากุอินท่านเกิดในสมัยเรียกว่าปลายสมัยอายุทยาสามร้อแล้วพิบปีที่แล้วนะ ใ, ใกล้ๆวัดของท่านเนี่ยนะมันก็มีร้านร้านชำ ลูกสาวเจ้าของร้านชำเนี่ยสวยเป็นที่รักนะของพ่อแม่แต่วันดีคืนดีเนี่ยลูกสาวเจ้าของร้านชำก็เกิดทองขึ้นมาพ่อแม่ตกใจเลยนะแล้วก็ถามลูกว่าเนี่ยใครเป็นพ่อของเด็กทีแรกเนี่ยสาวก็ไม่ยอมตอบนะ แต่พอถูกคาดคั้นหนักๆเขาก็ตอบว่าท่านอากูอินนั่นแหละเป็นพ่อของเด็กในท้องโอ๊ยพ่อแม่เจ้าของร้านฉันโกรดมากเลยนะไปที่วัดของท่านอากูอินซึ่งก็เป็นวัดเล็กๆนะแล้วก็ไปด่าท่านด่าท่านเสียหายเป็นผ้าอะไรนะทำไมทําตัวแบบนี้เป็นผ้าที่เลวมาก ไม่ได้เป็นผ้าที่อยู่ในระเบียบวินัยอะไรเลยท่านอากวิ น, นก็ไม่ตอบตัวท่านก็เพียงแต่ตอบว่าอ๋ออย่างนั้นเหรอต่อมาเนี่ยพอสาวเนี่ยคลอดลูกออกมาพ่อแม่ของสาวคนนั้นก็เอาลูกเอาทารกเนี่ยไปให้ท่านก็หากุินเลี้ยง ท่านก็ตอบเพียงสักสักอย่งออยงนันเหรอแล้วท่านก็เลี้ยงดูเด็กคนนั้นนะเลี้ยงตามกําลังที่ท่านมีก็มีคนมาช่วยบ้างแต่ไม่มากตอนนั้นชื่อเสียงท่านก็ป่นปื่ไปเรียบร้อยแล้วญี่ปุ่นเนี่ยนะสมัยนั้นเนี่ยพระเนี่ยก็พอมีเมียได้แล้ว บางบางดิกายเนี่ยเขามีเมียได้เพราะนั้นในด้นานอักูิเนี่ยก็ไม่ได้ถูกจับศึกเพราะว่าไอ้ทำเนียมการถือพระบัจันทร์เนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เสื่อมคลายไปแล้วแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่ดีนะพระที่มีเมียเนี่ยก็ยังถือว่าชาว บ, บ้านเขาก็ไม่ไม่นับถือเท่าไหร่ แต่ไม่ถึงขั้นปรารชิกแบบพระไทยท่านก็เลียงดูเด็กคนนั้นด้วยความอุตสาหะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่ยงง่ายก็มีชาวบ้านบางคนมาช่วยบางแต่ส่วนใหญ่ก็มองท่านไปในทางลบเสื่อมศรัทธาในท่านส่วนแม่ของเด็กเนี่ยพอเห็นท่านะกุยเลี้ยงลูกซึ่งไม่ใช่ลูกของท่านเนี่ย เกิดความละอายใจนะสุดท้ายก็บอกเปิดเผยว่าเนี่ยพ่อของเด็กที่แท้เนี่ยเป็นหนุ่มในตลาดขายปลาซึ่งอยู่ไม่ไกลพอพ่อแม่ของสาวคนนั้นทราบความจริงตกใจนะเพราะว่าหลงเผลอไปด่าท่านตะกุยมาหลายรอบแล้วก็ไปที่วัดท่านตะกุยแล้วก็ ขอโทษขอโพยแล้วขอเด็ด ก, กลับมาแล้วก็ชื่นชมท่านอากิเน้นนะว่าโอ้ท่านเป็นพระที่ประเสริฐมากใจบริสุทธิ์หนักแน่นมั่นคงมีความเมตตาอย่างยิ่งเลยท่านนี่เป็นพระแท้จริงเลยนะน่ายกย่องมากนะไม่หวั่นไหวต่อคำต่อว่าด่าทอเลยเสียสละอย่างแท้จริงโอ้ยชมท่านใหญ่เลย ท่านก็ตอบสั้นๆนะ่อาออย่างงั้นเลยแล้วท่านก็คืนทารกนั้นให้กับแม่ของเด็กการที่คนเราถูกใส่ร้ายว่าเป็นพ่อนะของเด็กเนี่ยโดยที่ตัวงไม่ได้ทำนี่โดยที่ตัวงไม่ได้เป็นนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายนะ ท่านก็ถูกด่าสารพัดนะทั้งจากพ่อแม่เด็กแล้วจากชาว บ, บ้านแต่ท่านก็ไม่ชี้แจงไม่อธิบายเลยเลยท่านได้แต่นิ่งแล้วก็ตอบสั้นๆมาอา่อยงั้นเลยเวลาที่ท่านถูกดา่าทำไมท่านไม่พูดนะแม่อธิบายความจริงให้กับพ่อแม่ของสาวคนนั้นว่าท่านบริสุทธิ์ท่านไม่รู้เรื่อง เพราะท่าว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อธิบายไปพ่อก็ไม่ฟังพ่อก็ปักใจเชื่อแล้วนวท่านเนี่ยนะเป็นพ่อของเด็กทั้งที่ตอนที่อยู่ในท้องแล้วก็ตอนที่คลอดออกมาแล้วท่านก็กลืนท่านก็ฉลาดนะ่รู้ว่าเนี่ยพูดไปก็มีประโยชน์มีแต่เสียเขาก็หาว่าแก้ตัวอาจจะกลายเป็นการทะเลาะเบาแวงกัน ท่านก็เลยคิดว่าวิธีที่ดีสุดก็คือนิ่งนะอย่างมากก็พูดเพียงแค่ออ ย, อย่างงั้นเลยถือว่าท่านมีสเ ต, ติแล้วก็มีปัญญานะแล้วก็มีความหนักแน่นเพราะว่ารู้ดีว่าอธิบายชี้แจงไปก็ไม่มีประโยชน์สู้นิ่งเสียดีกว่าอย่างที่มีภาษิตไทยว่า น, นิ่งเสียตำลึงทองนในกรณีท่านอากุยท่านก็เห็นแล้วว่าเนี่ยพูดไปไม่มีประโยชน์ ท่านก็ดีนะถูกด่าท่านก็นิ่งเวลาได้รับคำชนท่านก็นิ่งคือไม่ยินดีร้ายกับคำต่อว่าด่าทอและคำสารเสริญอันนี้ก็เป็นลักษณะของความเรียกว่าอุเบกควา ม, มอุเบกขาของท่านแต่ในกรณีนี้ก็เห็นนะท่านก็เห็นแล้วว่าการนิ่งเนี่ยเวลาถูกใส่ร้ายเนี่ยหรือถูกด่าเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งคนธรรมดานี้ก็ อาจจะไม่เห็นอย่างนั้นนะเพราะว่าอดทนทนไม่ได้ก็ฉันไม่ได้ทําหรือว่ากูไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ต้องโต้เถียงก็เกิดเรื่องทะเลาะยืดยาวไม่มีประโยชน์อันนี้เพราะขาดสติแล้วขาดปัญญาแต่ว่าท่านทาคิณเนี่ยนะท่านมีสติอัตตาท่างก็น้อยใครจะว่าท่านอย่างไงท่านก็เฉยและท่านยิ่งรู้ว่านิ่งดีกว่า มันก็มีเหตุการณ์ทำนองคล้ายๆกันนี้ในสมนัยสายพธกาลนะครูเจ้าเนี่ยเคยถูกใส่ร้ายว่าไปฆ่านางสุนทรีซึ่งเป็นปริภาชิ ก, กานางสุนทรีเนี่ยนะก็ร่วมกับพวกเดรัจฉีเนี่ยพยายามใส่ร้ายพระพุทธเจ้าแจ้งทำตัวว่าคุณเคยสนินสนม เวลาชาวบ้านเนี่ยเดินเข้าเชตวันนางก็เดินออกมาคนถามว่ามาจากไหนนางก็บอกามาจากเชตวันที่ยังไม่ใช่แต่เวลาชาวบ้านเนี่ยเดินออกจากเชตวันในเวลาเย็ยนเย็นหรือเวลาบ่ายแก่แก่นางก็เดินสวนเข้าไปชาวบ้านเขาไปไหนนางก็บอกเข้าไปในเชตวัน ทั้งอยู่หลายวันหลายครั้งนะทำทีว่าเนี่ยมีความสัมพันธ์นะกับพระพุทธเจ้าและนางคงไม่นึกนะว่าไอ้พวกพวกที่สมคบคิดกันเนี่ยกาจะใช้นางเป็นเครื่องมือนั่นก็คือฆ่านางแล้วเอาศพเนี่ยไปฝังไปไปวางไว้ในครูกใกล้ๆกับเฉตวัน เสร็จแล้วก็ไปแจ้งพระเจ้าปเสนีย์โกศลว่านางสุนทรีหายตัวไปขอให้พระเจ้าปเสนีย์โกศลช่วยหาคนตามหน่อยก็ไปเจอศพนางเนี่ยอยู่แถวคู่ใกล้ๆกับเชตวันแล้วพวกปริพาชุกนี่ก็แห่ศพนางเนี่ยเข้าไปในเมืองสาวัตถีละตะโกนว่าเนี่ยพระเจ้าเนี่ย ล, ลอกรอบเ ป, เป็นมีสัมพันธ์กับนางสุนทรีแล้วก็ลอกฆ่าเพื่อปิดแล้วก็ฆ่าเพื่อปิดปากให้ชาวบ้านก็เชื่อนะชาวบ้านทั้งชาวเมืองสาวัตถีนี่เชื่อทั้งที่พระเจ้าเนี่ยนะอยู่ที่สาวัตถีอยู่ที่ชตยตอนมานานนะแล้วก็สอนทำเนี่ยมาหลายปีเนี่ยแต่ชาวบ้านก็หูเบามากนะความดีที่พระเจ้าทําเนี่ยตลอดหลายปีนี่ไม่มีความหมายเลยเพราะว่า ชาวเมืองสาวิธีเชื่อสนิทใจเลยก็พอมีคนกล่าวหาพุทธเจ้าแบบนี้เนี่ยภาษาวกหลายท่านเลยก็ไปทูลบอกพุทธเจ้าว่าเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วนะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะพุทธเจ้าก็ตัดว่าก็ไม่ต้องทําอะไรก็อยู่เฉยๆเงียบๆยไปซะผ่านไปเจ็ดวันนะในสุดความจริงก็ปรากฏนะว่านางสนทิ์อเนี่ยถูกพวกเดียวกันฆ่านะเพื่อใส่ร้ายพุทธเจ้า ชาวเมืองสาวัถีนี่ก็ที่เคยประนามพู้เจ้านี่ก็เปลี่ยนใจนะเปลี่ยนท่าทีมาสารเสริญผู้เจ้าเลยนะแต่ผู้เจ้าก็นิ่งนะแล้วก็มีคนสงสารทานผู้เจ้าเนี่ยไม่เปิดเผยไม่ชี้แจงความจริงตอนที่ถูกกล่าวหาตอนที่ถูกใส่ร้ายเพราะพระองค์คงจะเห็นว่าเนี่ยพูดไปไม่มีประโยชน์เพราะชาวเมืองเขาก็เชื่อแบบนั้นไปเรียบร้อยแล้ว พูดไปก็เหมือนแก้ตัวซู่นิ่งเอาไว้ดีกว่าแค่ในกรพระพุทธเจ้านี่ก็พระองค์ก็เห็นนะว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยความนิ่งสงบนะมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดเรื่องนี้ก็ชี้เห็นนะชาสวัชชีเนี่ยเป็นพวกที่หูเบาเนพระพุทธเจ้านี่ทําความดีมานานแต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ลมเชื่อแบบไม่ทันได้คิดคนที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากๆนี่ก็ ก็ลุมประนามผู้เจ้าเนี่ยนะฉะนั้นใจได้ว่าในความชื่นชมสารเสือคาต่อว่าดาทอนี่มันมนไม่เที่ยงเลยจะหวังคนที่เขาศรัทธาแล้วก็จะชื่นชมเราหนักแน่นมันคงเนี่ยมันก็ยากเพราะว่าพอถูกเป่าหูเข้าก็หลงเชื่อได้ง่ายพวกนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนกว่าคือความ มันคงหนักแน่นนะและการตระหนักว่าความนิ่งนั่นแหละในบางครั้งเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดจะไปตอบโตนะ้ชี้แจงไงไม่มีประโยชน์คนเราใน้านารู้จักนิ่งก็บังนะไม่ว่าเวลาเจอสิ่งกระทบจากภายนอกหรือเจอเหตุร้ายหรือแม้กรทั่งมีความคิดอารมร์ต่างเกิดขึ้นในใจมันอาจจะดีกว่าการที่พยายามที่จะทำอะไร เพือจะจะกระจัดสิ่งนั้นออกไป